ที่ได้กล่าลวได้ว่าเป็นโทมานะที่เป็นไปกับบาปอุทุลาธรรมลามุกส่วนที่ควรเสพก็คือว่าเป็นโทมาัะที่ออกจากเรือนโทมนัะที่เกิดแก่ผู้ที่ไม่สามารถเพื่อจะเร่งเร้าควนขวายความอยากได้ในธรรมอริยผลคือความหลุดพ้นชั้นเยี่ยมได้และตั้งวิปัสสนาด้วยหน้าแห่งไตรลักษณ์ที่ท่านพูดอย่างระดับสูงอมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเพื่อจะบรรลุอริยผล พิจารณาให้ควรยังไงก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้เราไม่สามารถจะเร่งเร้าวควันขวาจเจริญวิปัสนาตลอด15วันเดือนหนึ่งตลอดปีเป็นต้นไม่สามารถจะบรรลุอริยภูมิได้โทมนัทก็เกิดในารม์ที่น่ารักมาสู่ครองของทวารทั้ง6มีจากปุทวาวรเป็นต้นนนัน้โทมนัทที่อาศัยการออกจากเรือนเป็นตัวเหล่านี้คือพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกิดที่ก็เลยมาไล่าตามลําดับเที่ยวไหมว่า ตรงนี้ทําความเข้าใจให้ดีนะภิกษุถือเอาธรรมที่ยังไม่มีวิตกและยังไม่มีวิจารและธรรมที่มีธรรมที่ยังมีวิตกมีวิจารณ์และธรรมที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อันเป็นธรรมที่มีโทมนัตเป็นปัจจัยเอาในฐานะโทมนัตเป็นปัจจัยนะก็หมายความว่าจะทําปฐมฌานให้เกิดขึ้นเพื่อจะออกจากปฐมฌานเพื่อจะบรรลุอริยอริยภูมิเพื่อจะมีอริยภูมิที่มีวิตกมีวิจารณ์ก็ไม่ได้ โทมนัตเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะเรายังไม่ได้แบบอริย อ, อรหัตผลหรืออริยผลน่ยที่มีวิตกวิจารณ์หรืออริยผลที่ยังไม่มีวิตรไม่วิจารณ์โทมานัตก็เกิดขึ้นก็อาศัยโทมนัตที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นปัจจัยเพื่อจะเร่งเร้าตนเองให้ทําให้ตนเองได้ไอ้ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดทีนี้พอตั้งลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าเมื่อไรเนาะเราจึงจ ะ, จะได้พระสมาบัติ ในโทมานัตที่ยังไม่มีวิตกไม่วิจารณ์เกิดขึ้นเสียทีเมื่อไรเนอเราถึงจะได้ผลสมาบัติในโทมานัตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเกิดขึ้นได้เสียทีเป็นต้นสรุปก็คือว่าเมื่อไรเนาะเราจะทําพระสมาบัติที่ยังมีวิตกยังมีวิจารณ์ให้เกิดขึ้นในกระแสขันได้เสียทีใช่ไหมทำเร่งเรา้าทําไปก็ไม่ได้โทมานัตตัวเนี้ยจะเป็นปัจจัยการเร่งเรา้าจะให้ตัวเอ ง, เงทําเข้าใจใช่ไหม อย่ทุกวันเราคิดก็ให้โทมนัตเกิดได้มั้ยได้แล้วก็พอโทมานัตเกิดไม่จะมาแช่อยู่กับโทมนัตแงๆอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่เร่งเล่าอะไรเลยเนี่ยร้องไห้ที่โมโผ่งโป่งแล้วผป่งอีกไม่ได้แต่ยี่ไม่ใช่แล้วท่านก็เลยตั้งข้อปฏิบัติตลอดสามเดือนตลอดหกเดือนตลอดเก้าเดือนถือข้อปฏิบัติสามเดือนแรกในสามเดือนในเดือนแรกเดินเสียหนึ่งยามอีกสองยามก็ให้โอกาสในการหลับ ในเดือนกลางเดินเสียเดือนที่สองอะ่ะสองยามคือปฐมยามมาชิมยามและให้โอกาสในการหลับยามที่สามในเดือนสุดท้ายให้ร่างกายเป็นไปด้วยการเดินจงกรมและการนั่งดังนะั้นถ้าบรรลุอารหันต์ดีไปถ้าไม่ได้บรรลุเพิ่มเป็น6ก็ระทับแบบนี้หกเดือนหเดือนถ้าได้บรรลุดีไปถ้าไม่ได้บรรลุเพิ่มเป็นเก้าก็จะอย่างเดียว น, นี้ทำแบบนี้ย้านหน่อย ท่านก็เร่งรีบไปในลักษณะนี้เราไม่ได้ประวัตเมื่อไม่สามารถบรรู้เป็นพระอรหันต์และเมื่อมาพิจารณาโอโนโอเราไม่ได้ปวารณาด้วยวิสุทธิปวารณาพร้อมกับเพื่อนพระมารีเสียแล้วก็คือว่าไม่ได้ไปปวารณาพร้อมกับเพื่อนที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเพื่อนที่เป็นสัตว์ที่ที่เป็นสัตว์ที่วิหริกเป็นสาธมิกเป็นต้นไม่ได้ปวารณาก็โทมนัสเกิดขึ้น สายน้ําตาก็ไหลพลูเหมือนสายน้ําตาของพระมหาสีวเะเถระพี่อยู่ที่เงื้อมเขาท้ายหมู่บ้านท่านก็เลยยกตัวอย่างที่อาจารมาไม่ได้เอามายกตัวอย่างยกแบบเยอๆเดี๋ยวเล่าไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่นก็กลัวจะเสียความหมายคําสอนันไปสรุปอีกทีท่านเนี้ยท่านชื่อว่าพระมหาสีวะเถระมหาสีวะเทระเนี่ยท่านสอนพิสูจอยู่เนี่ยสิบแปดคณะ มีสัตว์ที่วิหารเล็กอยู่สามหมืนรูปเราเราฟังดูแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจริงๆได้นะที่พม่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางวัดมีหลายพันรูปท่านสอนองค์เดียววิธีสอนของท่านนี่นะท่านบอกปิดม่านเข้าไว้แล้วท่านก็พูดกันไปบรรยาย ป, ๆๆๆป๊อ๊อ๊ไปท่านไม่มองเราเพียที่มานั่งเรียนก็เรียนไปทีเรียนดิระหว่างเราเสร็จกาจาไม่มองหน้ากันแล้วว่าไงมา ไอ้มาอยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันมันจะได้ไม่เศร้าใจอ่ะใครอยากไหลับก็หลับไปจริงยังก็ช่างไปมันทึ่เค้บไอ้มากระดอนนึกว่าเทวดาต้องฟังบ้างเลยสงสัยสงสัยพวกเราจะชอบนะถ้าทำอย่างนั้นแหละ ใครอยากจะไปไหนจะลุกไปอะไรก็ลุกไปเอาม่านปิดเอม้าก็บรรยายปัปบปััเป้นเขาบรญยายแบบนี้โอ้ยทุกคนตั้งใจกันจดกันนั่นกันฟังกันวด้ไหดีไหมทีเดีดจัดฉากแล้วมานกันมาถึงเวลาก็สอนไปเลยนะแล้วก็แล้วก็เยี่ยมเยี่ยบกันก็แล้วกัน จะไปทําอะไรก็ไปอยากจะรับโทรศัพท์ก็ยัดเสียงดังอันนี้มันเสียงดังกิ้งๆิ้กิ้งกเลยใช่ไหมไปมัเสียงเบาเบาถ้าทําอย่างนี้ดีไหมใจของผู้สอนใจใจของผู้สอนก็ไม่เสียพอสอนเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับก็ปล่อยนั่งหลับกันอยู่ตรงนี้กลับไปแล้วแล้วม่าวันใหม่ก็สอนอย่างเงี้ยอยากจะหลับก็ปล่อยที่ ไม่ใช่ไกเกงว่าอาจารย์จะบรรยายพูดไหนคนพ่อาจารย์จะกลับเปิดมากมา่อเเป็นเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ทุกคนก็ขนขวายเพราะทุกคนเขามาด้วยศรัทธาเขาตั้งใจขนขวายเขทั้งจดทั้งบันทึกเลยก็ว่างั้นแล้วนั่งเรียนกับพื้นด้วยอ่ไม่ใช่นั่งแบบนี้นะถ้านั่งแบบนี้สบายเกินไปไงยอนสมัย ก็นั่งเรียนกับพื้นกันเลยถ้าเป็นถ้าเป็นพระก็มีผ้าอาบน้ําคนละผืนละพื้นน่ะนั่งกันอยู่อย่างนั้นแหละนั่งเขียนแล้วจะหลับได้ไหมถ้านั่งอย่างเงี้ยยังไปหลับได้ไงยังไม่ถ้นั่งอย่างนี้สบายเลยเนี่ยนั่งเงี้ยเพราะเอานั่งกับพื้นเนี่ยดีไมแล้วเอามาก็ตั้งตั้งที่นั่งเอามากับพื้นเหมือนกันก็ตั้งโต๊ะเอาไว้มาปุ๊บไปื่อเลยก็เอามานั่งกันวะก็นั่งกันกับพื้นก็เป็นเรื่องแปลกไม่น่าทํานี่ เดี๋ยวเขาก็อยากหน้าอยากดูคนก็มาฟังกันเต็มเลยนี่กแปลกดีสอนไม่รู้ไม่เห็นหน้าคนสอนแล้วแล้วคนสอนก็จะเป็นไปคำตังคนสอนนี่นะไม่ได้สนใจเลย ว, ว่าไปตามสูตรเลยป๊อป๊ป๊ปปว่าไปลแล้วก็ไม่ไม่มีการถาม <c oughs> หน้าจะ <c oughs> ทรนั้นท่านท่านสอนแบบนี้ เราเยอะมากพรว่าเต็มแบบสาราอะไรเยอะเลยสอนทีเราเป็นทีสี่ร้อยห้าร้อยคนฟังเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะทุกคนต้องฟังแล้วต้องไปสอบด้วยทั้องไปเรียนไปสอบเลยเนะี่ยจะจอไม่เรียนก็เรื่องเรื่องเขาแล้วเขาไม่มีการคุมอะไรก็ทุกคนศรัทธาทุกคนต้องต้องศรัทธาโอ้โหครูบาอาจารย์เขาเกรงกันมากเลยนะเกรครูบาอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้แล้วกลัวกลัวที่สุดก็คือกลัวจะถูกตัดไม่ไม่ไม่ไม่ให้เป็นศิษย์รับ โอ้โหคนจะไปเป็นศิษย์เขาแต่คนจะดูแล้วดูอีกดูที่หัวจดเท้าดูกันแค่หลังนั่นเลยถ้าดูเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยดูทั้งเท่าซึมๆเขาก็ไม่รับขยันท่องไม่เนี่ยดูเขาดูดูเนี่ยนะเขาดูนี่เขาาจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่เหมือนกันนะท่านสอนอยู่สา 0,000 ืรูปตั้งอยู่ในโอวาทของท่านแล้วได้บรรลุเป็นพระานาสามห0ื่นรูปเลยดูสิสอนคนได้บรรลุเป็นพระานาสามหมื่นโอ้โหยังทําไม่ได้ซะ สักคนเลยนี่ท่านเป็นปุถุชนนะปุถุชนนะสอนให้ภาพบรรลุปเป็นพระราษฎรสามมรูปเนี่ยขอใได้สักรูปเธอนะี่รูปไ ด, ได้สักโค้งก็ินดีใช่ไหม <c oughs> ต่อมาภิกษุรูปหนึ่งก็ทำพึงว่าภายใต้ภายในตัวเรานี้มีคุณประมาณไม่ได้ท่านพิจารณาคุณของอาจารย์เราเป็นอย่างไรเนอดูตรวจดูกระแสจิตของของอาจารย์เลยเพราะตนเองได้สมาบัติโดยได้ปัญญาโดยใช่ไหมก็ดูเลย ลำพึงโอ้เป็นบุรุษช น, น, นเหมือนอาจารย์ยังเป็นบุรุษชนเลยเนี่ยอาจารย์พวกเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนเราอื่นแต่ไม่สามารถเพื่อจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้สามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ในทางด้านคาสอนแล้วก็หเขาได้ประโยชน์ไม่พาไปรู้มารผลกันตั้งสามหมื่นแต่อาจารย์ของเราเนี่ยไม่ได้ที่พึ่งสาหรับตนเลยเอาละเราจะให้โอวาดรหมือนแล้วก็ห่ะมาใกล้วัน พอหอมาใกล้กวัดเข้าไปหาอาจารย์ที่นั่งอยู่พักกลางวันสแสดงวัดคำว่าสแสดงวัดแล้วก็นั่งแที่ควรส่วนาหนึ่งก็คือไปเบ็ดเสร็จก็เป็นนวดกราบเบ็ดเสร็จก็นวดให้สังเกตุโดยที่เขามาหาอาจารย์เนี่ยทั้งๆ ท, ที่ท่านเป็นผ้ะอาหารใช่ไหมกราบพระบุตรชนเนี่ยเพราะเป็นอาจารย์ไงก็บีบแล้วก็ปัดดูแลต่างๆน้ําถวายอะไรต่นอาจารย์ก็เออไม่ว่าพระเสรากล่าวว่าคุณพูดถือการบิณบาตเป็นวัดมาทําไมเนาะ ข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมมาด้วยคิดว่าจะขอเรียนคําอนุโมทนาสักบทหนึ่งก็คือต้องการอยากจะเรียนสูตรนะว่างั้นเถอะเรียนพระไตรปิฎกับจากท่านเน่ะอาจารย์ก็บอกว่าโอ้คงก็ท่านจําไม่ได้ว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเคยสอนจําไม่ได้จะไม่เยียมสมานท่านก็เลยบอกว่าโอ้คงไม่มีโอกาสเราคุณว่างั้นท่านขอรับกับผมเรียนถามในโอกาสยืนที่โรงตึกก็ได้เขาจะมีโรงตึกไงปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วมหาอำนา โรงตึกเนี่ยมันมีจริงโรงตึกโรงพิจารณาให้ไปยืนตึกยืนไข้ควรก็จะมีที่ตึกเอาคําสอนมาได้แล้วก็ไปนั่งตึกไปนอนเออไปไม่ใช่นอนนั่งตึกยืนเดินตึกตึกใไข้ควรเอาพระธรรมมาตึกบอกว่านั่นแหะที่โรงตึกไงครับว่างั้นผมจะขอเรียนกับท่านอาจารย์ตรงนั้นน่ะตอนนี้ท่านอาจารย์ไปตึกไปไข้ควรน่ะในที่นั้นพวกคนอื่นก็จะถามคือคนพระเราอื่นค่อยถามอยู่เยอะเลยว่างั้นนะ งั้นในทางเที่ยวบินนบาตแล้วเขา้วบอกว่าอันทางเดินบิณนาบัดเดินไปด้วยขอเรียนก็ไปถามไปด้วยโอ้สิเขคอยเดินถามกันเต็มเลยว่างั้นในช่วงนั้นก็มีอีกท่านต้องสอนไม่กระทั่งเวลาเดินบินนบาตทีนี้ก็บอกว่าเขาก็จะถามกันอีกว่างั้นแม้ในทางนั้นพวกอื่นก็จะถามตในที่นุ่งผ้าสองชั้นนุ่งผ้าสังกะเฉียไอ้นุ่งผ้าไอ้นุ่งผ้งาสบงอ่ะในที่ตรงนั้นในแตะนี่นุ่งผ้าเออนุ่งผ้าในที่ห่มสังกะสี ในที่นำเอาบาดออกคือบาดไปวางไว้ย า, าบาดออกมาในเวลาที่เอาไปหมู่บ้านแล้วก็ดื่มข้าวต้มในเวลาฉันในที่นั้นๆก็จะมีพวกพระเถระทางอัตกถาบรรเทาความสงสัยของตนอยู่พระอัตกรถาอาจารย์ทั้งหลายที่ก็ต้องการเขาก็จะมาสอบถามรายละเอียดสรุปแล้วคนตามทัานถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามท่านทุกจุดเลยขณะฉันข้าวนี่รอจ้องเลยพอหยุดฉันพบล้างปากไปซึ่ถา ม, ถามทันทีเลย จดเจาะท่านคือความรู้ท่านระดับนั้นเลยแปลว่าชํานาญจริงๆยิ่งไม่เยอนสมัยกับผมจะเรียนถามในเวลาออกจากหมู่บ้านเนาะทั้งนั้นเวลาท่านทะยานออกจากหมู่บ้านแม้ในที่นั้นก็จะมีคนอื่นถามอีกท่านขอรับในระหว่างทางท่านขอรับในเวลาเสร็จการฉันจากอาหารท่านขอรับในเวลาล้างเท้าในเวลาล้างหน้าในเวลาพักกลางวันตั้งแต่นั้นไปจนถึงสว่างก็จะมีพวกอื่นถามหมดเลยคุณเมือ่อนี่ไหมในเวลาเอาถ้าอย่างนั้น กำลังไม้ชำระฟันกำลังจัดแกงไม้ชำระฟันฟันแล้วไปสู่ที่ล้างหน้าช่วงเดินไปสู่ที่ล้างหน้าตอนนั้นก็มีพวกอื่นไปถามอีกเขาด่า ก, กันทุกหยุดเลยละนั้นในเวลาเข้าเสนาสนะนั่งอ่ะในตอนนั้นพวกอื่นไปจะถามอีกเวลาเข้าเสนานะจะนั่งอยู่ท่านก็รับน่าจะมีโอกาสและเวลาของผู้ล้างหน้าเสร็จแล้วสู่เสนาสนะได้สักสองสามบรรลังได้รับความอบอุ่นนั่งสมาธิพอให้ให้ให้อาสนะอุ่น เขาเรีกนั่งพอให้อาสนะอุ่นแล้วทํางานด้วยความเอาใจใส่อย่างมี้ผลใช่หรือท่านก็ลัฟะท่านก็เลยบอกว่าลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าท่านกอลัฟว่าไงท่านอาจารย์น่าจะมีโอกาสและเวลาของผู้ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จนะแล้วก็เข้าโซนระยะนานะให้สองบัลังก์ให้ได้รับความอดอุ่นก็คือว่าน่าจะได้มีเวลาบ้างในการนั่งสมาธิพอให้ได้อาสนะอุ่นๆบ้างอะแล้วทํางานด้วยความเอาใจ ใจใจใส่อย่างมีเหตุผลไม่ใช่หรือท่านกระรับท่านจะไม่มีเวลาท่านกรร็เลบอกอาจารย์ถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่มีเวลาตายเลยใช่ไหมเนี่ยถมจะไม่มีเวลาตายเลยใช่ไหมโอ้ท่านเป็นเหมือนแผ่นกระดานว่าไหท่านเป็นที่พึ่งของคนอื่นแต่ท่านไม่อาจที่จะเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้เลยกระลับก็ผมไม่มีความต้องการค้ำอนุมโมทนาของท่านแล้วก็งั้นถ้าท่านอาจารย์เป็นแบบนี้พูดแล้วก็ห่อไปต่อหน้าตดอตาเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ พระเทระบอกวู้ตกใจเลยพิสูจนนี้ไม่มีกิจกับการเรียนมาทำแต่มาเพื่อคิดจะสอนเราแกเราก็คิดว่าพอได้ยินนี้ปุ๊บท่านก็บอกว่าบัดนี้จับไม่มีโอกาสใกล้ลุ่งตอนนี้ใกล้จะรุ่มแ ล, แล้วก็จะเก็บบัดไว้ใกล้ๆท่านบอกว่าท่านจะสอนธรรมะตลอดวันตลอดยามต้นและและยามมันเป็นท่ามกลาง้ท่านสอนขนาดหนักเลยนะเนี่ยปฐมยาม4ี่ชั่วโมงก็สอนแล้วก็มัชชิมยามก็สอน ขณะที่พระเทระรูปหนึ่งเรียนอุเทศแล้วออกไปยามสุดท้ายพอปัดชิมเมยามพอกเขามาเรียนอุเทศท่านสอนอุเทศพอพระกลุ่มนั้นกลับไปปุ๊บๆๆก็ท่านก็ถือบาดตามตามพระเถระนั่นไปเลยพวกศิษย์อันเวทวศิษย์ที่นั่งอยู่เข้าใจว่าอาจารย์ออกไปด้วยธุระบางอย่างเดี๋ยวคงกลับรอกันอยู่นั้นเพราะว่าดนไม่กล้าถามใช่ไหมระดับอาจารย์เนี่ยพระเทระออกไปก็ไม่มีความบอกว่าเมื่อ ก็มีความเข้าใจว่าเป็นภิกษุที่เป็นอาจารย์รูปหนึ่งว่าได้ยินว่าพระเถระคิดว่าเชื่อว่าความเป็นพระอรหันต์สหรับเรานั้นจะอะไรกันนะกันหนาะไม่ยากเลย ช, นน ช, ชํานาญช่ําชองสูตรทุกอัฏฐานแล้พยัญชนะแบบนี้ใช่ไหมย่างเรานี่คงสองสามวันเท่านั้นแหละก็จะสําเร็จก็จะกลับมาสอนต่ออืขนาดนั้นเลยนะเนี่ยจึงไม่บอกลูกศิษย์ในวันขึ้นศิษย์สามข้ามเดือนแปดก็ไปสู่เงื้อมเขาท้ายหมู่บ้าน ไปถูที่จองกรมแล้วเอาใจใส่แต่กรรมฐานในวันนั้นยังยึดอาร่าตัผลไม่ได้พอถึงวันอุโบสถก็คิดว่าอีกสองสามวันเราจะเ อ, าอาร่าจัพผลให้ได้ก็วาดไปเรื่อยๆเราจะต้องเอาให้ได้เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบันลนี่คิดอย่างนี้ยจะคว้าเ อ, าอารหาตัผลให้ได้จะคว้า อ, าอาราจัพผลให้ได้ ป, ปุ๊บปุ๊บผ่านไปสามเดือนท่านมีความคิดในใสามเดือนน่ะเหมือนสามวันนะท่านมีความคิดแบบนั้น คอยถึงวันหมหาปรน า, าก่อนจะรู้ว่างั้นพอถึงเข้าพรรษาแล้วก็ยังยึดเอาไม่ได้อีกวันหมหาปรน า, าคิดว่าเอีกสองสาวันมั้คงจะได้ก็ไม่ได้อีก3เดือนแล้วก็ไม่สามารถจะได้ส่วนเพื่อพระโมิชารียเขาก็ปวารณนาริสุดที่ปรนนากันเมื่อท่านคิดว่าอุปรคิดเงิางนั้นเสร็จนะท่านก็ น, น้ําตาไหลเลยจากนั้นท่านก็คิดว่ามรรคผลไม่เกิดขึ้นเพราะอิยาบทสีของเราบนเตียงเออมันมียืนเดินนั่งแล้วมีนอนอยู่น ถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์เราจะไม่เหยียดเราจะไม่ยอมเหยียดหลังเอาอะไรตัวนี้พอเลยสามเดือนไปแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุอรรรคผลนะจะไม่ยอมเหยียดหลังลาบบนเตียงนี้ยังเด็ดขาดนี่ท่านตั้งเจตนาไว้เลยกลับไปทำที่เยวมานทาไม่ได้ดีจะไม่นอนเหยียดหลังในในเตียงนี้แหละจะไปเหยียดหลังที่อื่นไม่เอาเหมือนกันไม่ใช่ไอนี่เขาไม่เอาคนเพราะหลบปุ๊บปั๊บไปมาที่าไม่เอา แล้วก็ไม่ใช่ไม่ยอมเหยียดล้างอย่างเด็ดขาดนะจะไม่ยอมล้างเท้าด้วยแล้วก็ให้ยกเอาเตียงแล้วก็ยกเตียงนะเก็บไว้เมื่อถึงภายในพรรษาท่านก็ยังเอาอะรจะผลไม่ได้ตามเคยเนะื้อสายน้ำตาก็ไหลในวันโปรณนานะ่ผ่านโปรณนาไปแล้วเท่าไหร่ยี่สิบเก้าครั้ง29บเก้าปีย9บเก้าปีพวกเด็กในหมู่บ้านพากันเอาหนามาตัดที่เท้าที่เท้าท่านที่ต่ขอก เด็กเห็นก็เอาเอาหนามาแทงเอาเชือกมัดให้แน่แทงแบบนั้นเนี่ยท่านก็มาพิจารณาว่าแม้เมื่อจะพากันเล่นก็ล้อเล่นว่าขอให้เท้าทั้งสองข้างจงเหมือนเท้าของพระคุณเจ้ามหาสิวาเธิดเขารอกันว่าสมมุติว่าเนี่ย เ, เล่นเล่นกันถ้าใครแพ้ถ้าใครแพ้ก็ขอให้เท้าแตกเหมือนพระมหาสิวะมัน <c oughs> <c oughs> ล้อให้ได้ยินได้อีกืหเ <c oughs> <c oughs> จ็บใจไหม ก็ไปล้อกไปพนันกันคับในวันมหาบรณาวที่30พระเทละยืนแผ่นกระดานนะยึดแผ่นกระดานสำหรับจะพิงคิดว่าเมื่อเราทำสมณธรรม30สิปีแล้วเราก็ไม่สามารถคว้าเอาละรจะผลได้ในอัตภาพของเรานี้มักหรือผลย่อมไม่มีเนี่เราไม่ได้บรนาด้วยบริสุทธิ์ที่บรนากับเพื่อพมพรมจรีแล้วเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็โธ ม, มานัดสายน้าตาก็ไหลร้ อ, องไห้ ในเทือกใกล้ๆก็มีเทพระยดาองค์หนึ่งกําลังยืนร้องไห้อยู่ร้องดังบว่าท่านใช่ไหมท่านไม่ดังนี่ท่านแด น, น้ําตาไหลยอยู่ทีนี้เทวดาก็ร้องดังร้องดังท่านก็ถามนี่ใครวะเนี่ยร้องเหี่นี้นะเทพยาเจ้าข้าว่าดิทเทพไอบอดิฉันเองเป็นนางเทพธิดาพระเทระถามว่าเธอร้องไห้ไปทําไม เมื esa, world, ่อมารคผลจะเกิดได้เพราะการร้องไห้ดิฉันคิดว่าฉันก็จะได้มารคสักสองสามมาร์คนี้จริงได้ร้องไห้่อำใจไหมเขาบอกว่าเนี่ยฉันคิดว่าถ้าร้องไห้แล้วนี่มั้ยมาร์คจะเกิดได้เพราะการร้องไห้โดยคิดว่าจะจะได้สักสองสามมาร์คถ้าเถราก็คิดนี่ก็เตือนวอผมผมมาหาสิวะ แม้เทพยดาก็ยังเย่อเย้อเธอเลยนี่มันควรแก่เธอหรือไม่พอคิดพิจารณาอย่างนี้ก็เร่งวิจารณาในส่วนจริงก็บรุเนาะแตกฉานปฏิสัมพิธานในสาท่าทีา30ปสสิบที่ปฏิบัติ30สปีเนี่ยท่านก็คิดว่าโอ้โหบรุปฏิสัมพิธาเราจักนอนและก็จัดแจงเสนาสนะไม่ได้นอนมาเลยจนได้สาสิปีไม่นอนเลย ก็จัดแจงปูราตอาสนะวางน้ําตั้งใช้เสร็จแล้วก็จะล้างเท้าแล้วก็จะขึ้นมาก็จะนอนเอานี่บรรดาลูกศิษย์นี่นะลูกศิษย์ที่เป็นพระเทราที่เป็นพระทหารเน่ยเห็นอาจารย์เนาะท่านทําคุณวิเศษให้เกิดขึ้นหรือไม่เนาะทราบเลยโอ้ท่านเป็นพระทหารแล้วนี่ท่านกําลังจะล้างเท้าก็คิดตรงกันเน่ยไหมลูกศิษย์ก็พากันเพื่อจะไปล้างเท้าแห่กาาันโอ้ยมากันเล้อมเต็มไปหมดแล้ว เพาะมาเลยว่านเนี่ยมาปรากฏต่อหน้าเลยเพราอแสดงความชื่นชมใช่กราบบอกว่ากระผมจะขอล้างเท้าถวายคอรับเนี่ยทุกคนพูดอย่างนั้นหมดเลยใช่ไหมสา ม, มื่นรูปเนี่ยนะพระเทระก็บอกคุณฉันไม่ได้ล้างเท้ามาตั้งสามสิบปีแล้วพวกคุณไม่ต้องฉันจะล้างเองว่ากันเลยสามสิบปีแล้วไม่ได้ล้างเนะตอนนั้นไม่ใช่แต่พระแตะเท้าสากาก็คิด พิจารณาโอ้ยพระคุณเจ้ามาสิว่าของเราสําเร็จเป็นพระรหารแล้วพวกศิษย์สามหมืนลูกําลังคิดว่าจะล้างเท้าถาวายก็ไม่ให้ล้างเท้าเมื่ออุปถาัเช่นเรายังมีอยู่พระคุณเจ้าจะล้างเท้าเองนี้ไม่เป็นการสมควรอย่างแน่แท้ตัดสินใจแล้วก็ว่าจะต้องมาล้างเท้าเสร็จส่งนางสุชาดาภรรยานำหน้ามาก่อนแล้วก็กรีบตะโกนพระคุณเจ้าขอทามผู้หญิงมาแล้วเพราะต้องหลบกันหมดเลยโอฉลดาดนะโดยฉัน เบ็ดเสร็จลพราะเบ็ดเสร็จก็นางสุชาดาผู้เป็นอสุรกญยาร่วงหน้าไ้ก่อนก็เปิดทางนะึกว่าจงลีกไปนีผู้หญิงนนเข้าไปหาพระเถระไหว้นั่งกระยงตดนหน้าตรัสบอกว่าท่านก็รับผมจะล้างเท้าถวายหว่างนั้นพระเถระก็พบกรลู้ทันทีอ้าวหเท้าโกสีใช่อาตมาเนี่ยอออาตมาภาพไม่เคยล้างเท้ามา30สปีแล้วและไม่สรุปก็คือไม่ได้อาบน้ำด้วย โดยปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะเทวดาเนี่ยอยู่ห่างมนุษย์ร้อยโยดก็เหมือนอย่างเราซากสุนัขแขวนคอว่าไหมเอออย่างก็เอาซากสุนัขแขวนแขวนคอถามว่าโยดหนึ่งเท่าไหร่สิบหกกิโลเมตรใช่ไหมถ้าร้อยโยตดนีเท่าไหร่นะร้อยโยด์นี่เท่าไหร่ฮพันหกร้อยฮะพันหกร้อยกิโลเมตรห่างขนาดนั้นน่ะพันหกร้อยกิโลเมตรเนี่ย เห็นไหมพันหกร้อกิโลเมตรเหมือนเอาซากศพมาขวานคอเนเทวดาเนะี่ยถ้าห่างห่างมนุษย์พันหกร้อกว่ากิโลเนี่ยเหมือนกับเอาซากศพแขวนคอเนยเทวดาจะต้องอยู่ไกลจากมนุษย์ไกลกว่านท่านเหม็นเหม็นมนุษย์มากท่านก็เลยบอกว่าอัตมาภาพจะล้างเองเท้าส ก, กาก็ตรัสบอกท่านกรา็รับเชื่อว่ากินอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยๆๆเก่งของวะเทล่ไม่ปรากฏ เพระเถระสิ้นราคะโถส า, ามโหหาไปต้นแล้วใช่ไหมไม่มีกลินะ่นน่ยด้วยว่ากลิ่นศีลของท่านฟุ้งเลยไปพรหมโลกอะ่ะเลยหกชั้นไปจนถึงเพราะวะะ่าก็โคมเบื้องบนนู้นไปถึงเนะี่ยเนวาสัญญาณสัญญายาตนะขนาดวโน้ น, นนนะเป็นอารูป์ของมยังไปถึงว่างั้นจะไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งไปกว่ากลิ่นศีลทา่านก็แล้วก็ผมจะผมม า, าะาามาเพราะกลิ่นศีลของท่านใช่ไหมมาเพราะกลิ่นศีลของท่าน แล้วก็เอาพระหัตถ์ซ้ายจับข้อต่อปะ ต, ตุ่มของพระหัตถ์ขวากันแล้วก็ลูบฝ่าเท้าเท้าเธอก็เป็นเหมือนกับก็บอกเท้าของลาก็เหมือนกับเท้าเด็กหนุ่มทันทีเลยแตกนะหายเกลี้ยงทันทีเลยคันเท้าสกาดล้างเท้าวถวายแล้วก็ทรงไหว้แล้วก็กลับสู่เทวโลกตามเดิมเนี่ยตัวอย่างตรงเนี้เราก็มาพิจารณาดูดีนี้นี่แหละคือพระมหาศีวะถีละ แค้นคนที่เขาบรรลุแล้วเบ็ดเสร็จเห็นไหมไม่ใช่พระชื่อท่านชื่อทไม่ใช่สีวะซอสลาเะซเสือเพิ่งทราบว่าทัานเรียกอารมณ์ของวิปัสสนาก็ดีนะวิปัสสนาก็ดีนะมรรคก็ดีผลก็ดีว่าโทมนานะที่ยังมีความตรึกก็ยังมีความตรองและโทมนานะที่ไม่มีความตรึกไม่มีความตรองนะเรื่องน่าดึงความเข้าใจของภิกษุผู้ใสยโทมนานะที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณานะี แล้วก็ไม่ได้ปรนนาระิสุดที่นะพร้อมด้วยภิกษุพรหมจารีเป็นต้นอันนี้ก็คือการตั้งวิปัสสนาเป็นต้นนะนี่มาไข้ควรว่าในส่วนจริงท่านก็บอกว่าโทมนัตอาศัยอะไรดังที่ได้กล่าวนั่นแหละทันนานทำมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือจะทําให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่านี่โทมนัตเป็นปัจจัยแก่การได้บรรลุที่ท่านท้าว่าจะร้องไห้ทั้งทีก็ร้องไห้เพื่อเป็นปัจจัยแก่บรรลุอย่าไปร้องไห้เป็นปจัจจัยว่าโอ้ยมันไม่น่าทิ้งเราไปเลย ใช่ไหมไม่น่าโอ้ยไม่น่าตายเลยโอ้ยไม่น่าทํากันอย่างนั้นเลยเนะี่ยไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะถาา้าในกรณีอย่างนี้ก็คือเรียกทมานัตอย่างเนี้ก็เรียกว่าโทมาัตที่อาศัยเนคขมม์พอจะเข้าใจนะโทมานัตที่อาศัยเนคขมม์เอาต่อไปก็คืออุเบกขาอะไรตัวเนี้ยอุเบกขาที่ไม่ควรเสกเอวารูปาอุเบกขานะเสวิตภานี่แหละ ไม่เพีงเสบอเวขาเวทนาที่อาศัยเรือนเหตนป่านั้นที่ชื่อว่าเวขาที่อาศัยเรือนก็ได้แก่อุเวขาที่อาศัยกามคุณอาศัยรูปเสียงกินรสัมผัสกามคุณเนี่ยซึ่งแปลว่าเครื่องผูกหรือตัวติดข้องเนี่ยนะอะไรเป็นตัวติดเกิดขึ้นในกามคุณนั่นเองแก็ก้าวล่วงรูปเป็นต้นก็บอกว่าก้าวล่วงรูปไม่ได้ก้าวเสียงไม่ได้ใช่ไหมอเวขามื่เกิดขึ้นแล้วก็ติดเนี่ยยึดติด ยึดติดรูปสําคัญผิดในรูปเห็นผิดในรูปเนี่ยเอาเนี่ยนะวิธีคิดนะเวลาเวรขามันเกิดขึ้นก็คือยึดติดด้วยตัณหาสําคัญผิดด้วยมานะเห็นผิดด้วยทิฏฐิเห็นผิดในรูปแล้วมันกระก้าวเลยไม่ได้ก็ถูกรูปนั่นแหละยึดใจยึดติดใช่ไหมทำให้ใจไปผูกไปยึดติดไว้ด้วยอำนาจของตัณหาบ้างไปสําคัญผิดด้วยมานะบางไปเห็นผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิบ้าง ไม่เล็กเลยก้าวเลยไม่ได้อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยอะไรผูกแล้วไว้เนีย่ยวัตถุ ก, การมเนี่ยผูกไว้วัตถุ ก, การมผูกไว้ก็ออกไม่ได้พระพุทธเจ้าเชิญชวนให้เข้าหาคําสอนมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่เลยแล้วก็เออดีนะหมายคําอย่างว่าคําสอนของพระเจ้าไม่สุดยอดเลยว่ามได้แค่นั้นแหละแต่ก็ออกไม่ได้มันตัดถูกอันเนี้ยยึดติดไว้สําคัญผิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะก้าวล่วงรูปไม่ได้ก้าวล่วงรูปไม่ได้ ก้าวร่วมเสียงกงลิ่นรสสัมผัสไม่ได้เหมือนแมลงวันตอมงบน้ำอ้อยเพราตอมเส็ดเสร็จแล้วแมลงวันอยากออกจากตรงนั้นไหมไม่อยากออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ไหมไปแล้วก็กลับมาใหม่ไปแล้วก็กลับมาใหม่เข า, หาหเห็นแมลงวันตอมงบน้ำอ้อยไหมเขาเห็นไหมอ้าวแมลงวันตอมอะไรไอ้มะม่วงอ่ะที่เขาทามะม่วงควรนี่ยหูแมลงวันเต็มไปหมดเลยใช่ไห ม, ไมไนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่า ในอารมณ์ที่น่ารักมาสู่ครองของทางรู้จากคุาวาวโสตถ า, าวรคาน า, าวาวชิวห า, าวานกายถ า, าวรมโนถาวรหรือในเวลาเวทนาเหล่านั้นฉนันอุเบกขาเวทนาที่อาศัยเรือนอย่างหกอย่างเป็นไฉไหนเพราะเห็นรูปด้วยตาอุเบกขาก็เกิดขึ้นกับบุถุชนคนโ ง, ง่เขาคนหลงบุถุชนผู้ยังไม่ ช, ชนะกิเลสเรายังไม่ได้ชนะราคะยังไม่ ช, ชนะทวารโมหะมานะทิฏฐิวิจิจ า, า, า, าอยีที่เกิดโนชนะอยังไง ยังไมไ่ชนะกิเลสชนะวิบากยังยังไม่ได้ชนะวิบากอะไรเลยนะเนี่ยวิบากอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้ชนะวิบากทุกชนิดเลยไหมนเนี่ยอา่าวิบากในการที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกยังไมไ่ชนะอีกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรากายมนุษย์เทวดาพรหมเป็นต้นเหล่านี้ยไม่ชนะวิบากแล้วเป็นผู้มีปกติไม่เห็นโทษยอมมงโลนเห็นโทษไหมเห็นโทษของตาหูจมูกเลิ้นงกายใหญ่ไห สดุ้งเทือนได้ไหมถ้าจะไปมีตาหูงงาจงงมูกเล่นไงใหใ่ไหม่ทิ้งตาหูจมูกเล่นกายใจนี้แล้วน้อมออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจหรือน้อมเ พ, พื่อจะไปรับตาหูจมูกเล่นกายใจกตั้หาเหมือนกันน้อมให้ไปติดไปยึดติดในตาหูจมูกเล่นกายให่มันเป็นแบบนี้ไม่เห็นโทษอย่างนี้เขาเรียกไม่ได้สดับแล้วเป็นผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระรยาเนาะไม่ได้ไม่ได้สดับพระธรรมของพระรยะเป็นต้นก็แปลว่า ฟังแบบลอยๆเบาๆไปอัตถานและปัญญชนนาในคาสอนก็ไม่กระเดือนหึ้งใจเท่าไหร่เน้อฟังไปแล้วก็เออดีนะบอกงั้นฟังเป็นเหตุเป็นปัจจัยบอกั้นต่อไปก็ขอให้เป็นปัจจัยความเาาาบื่อทุกข์ในอนาคตเบื้องหน้านั่นเธอไปก็โจไปก็จะไปงานเลี้ยงงานฉสองงานอะไรต่อไปโยนงานขปงเงินั้างใช่ไหมแล้วต่อมาเอ อ, อย่เงี้ยไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มันก็นกนกลอยๆเบาๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรมีปกติไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษของสังสาระวะัฏผู้ไม่ได้สดับแล้วเวขาเห็นไานั้นก้าวล่วงรูปไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเวขาสายเรือนไปดูในมัชฌิมานิกายอุปริปรนานท่านจะขยายตรงนี้เยอะดังนี้เป็นต้นเนาะก็ไปขยายในรายละเอียดก็คือบอกว่าในกรณีสัตว์โลกทั้งหลายนี่ที่ไปยึดติดเนี่ยนะไปยึดติดในรูปเจ้า ก, กินรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์เป็นต้นยึดถติดในวัตถุ ก, กรรมด้วยอาํานาจของกิเลสกรรมที่ไปผูกเข้าไว้ เมื่อผูกเขาไว้ก็ก้าวล่วงไม่ได้เออถ้าดูๆแล้วเหมือนเราจะเบื่อนะเช่นเรากินอาหารอิ่มๆแล้วก็เหมือนจะเบื่อใช่ไหมพรุ่งนี้มากินใหม่ไหมเนี่ยเอากินอีกแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำวิ่งแล้วเหมือนเบื่อไหมเดี๋ยวก็ไปเข้าใหม่อีกแล้วนี่ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเป็นอยู่อย่างเงี้ยเอาไปไปมาๆก็นั่นแหละเดี๋ยก็ไปเอาเลยเดี๋ยก็ไปอาบน้ําแบ็เสร็จแล้วเหมือนเบื่อไหมเดี๋ยก็ไปอาบใหม่อีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยชีวิตเป็นอย่างเงี้ย มันก็เลยเพลินไปวันวันวันวันเนี่ว่าชีวิตนเนี่ยนะก็จริงๆก็คือก้าวล่วงไม่ได้ก็แปลว่านี่ก็เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วในส่วนจริงก็ออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ยึดติดตาหูจมูกเล่นกายใจเห็นผิดสําคัญผิดต่อไปเนาะในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกไม่เห็นโทษ น, นิ่อุเวกขาสายเรือนเนี่ยนะอุเวกขาจะประกอบด้วยถามบอกว่าในกรณีในรักทางที่ปุถุชนเป็นคนโง่เขาเป็นคนหลงปุถุชนที่ยังไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะราค่าโทสะยังไม่ชนะวิบาสทุกประเภทเนี่ยนะมีปกติไม่เห็นโทษเป็นผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพริยาไม่ได้สดับในคําสอนของพริยาเป็นต้นเลยนะอุเบขาเห็นปาณนนิเขาเรียกก้าวร่วงรูปไม่ได้ก้าวร่วงเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เป็นต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุเบขาเหล่านั้นว่าอาศัยเรือนเป็นต้นนะนะส่วนอุเบขาที่ควรเสพเอวรูปาอุเบขาเสวิตภาเนี่ยอาศัยเนคขมะพึ่งเสพ ที่จริงในคำสอนที่บอกว่าโง่เขายัางไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากเนี่ยอวิปากาออชิน า, าเนี่ยไม่เห็นโทษอนาธีนวทัสาวิโนไม่ได้สดับอสุตวาคาโตเป็นตัวนเนี่ยนะเป็นคนหนาแน่นปุถุชนาศเนี่ ย, าายอุเบคาเช่นนั้นน่ะไม่ล่วงเลยรูปไปได้รูปปางสานาติวัตติเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายในรูปนั้น ไม่คลายกำหนัดว่างั้นฉะนั้นจึงเรียกวขานว่าอาศัยเรือไม่เบื่อหน่ายก็นู่นแหละเอาอะไรมาจับเอาโต40อ่ะมาไข้ควรไปเข้าใจไหมก็มาไข้ควรเป็นไปตามลำดับมาพิจารณาโดยที่ว่าเรือไปดูในมหาทุกขขันทั้งสุดไปดูไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติและธรมมารมณ์โดยความไปทุกข โดยความเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความมาพาดเป็นอย่างอื่นเป็นสภาพชํารุดเป็นเสเนียดเป็นอุบาทเป็นสภาพที่ไม่สําราญเป็นภัยเป็นอุปสรรควันไหวด้โลกธรรมแปดวันไหวด้วยโลกธรรมแปดไหมผูกพังด้วยไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีที่เล้นไม่มีสาระไม่เป็นที่พึ่งว่างเปล่าศูนย์เป็นอนาตามีโทษไม่มีเกลียนสารเป็นต้นนี้เป็นไปตามลําดับนั่นแหละ ไม่ไม่เบื่อหนายอย่างนั้นอุเบกขาเห็นปานนี้ส่วนต่อไปก็คืออุเบกขาใสายเนคขมมะอุเบกขาใส่เนคขมมะก็แปลว่าบุคคลพึงเศษคือบุคคลที่ใสยเนคขมมะบอกว่าอุเบกขาจะประกอบไปด้วยวิปัสสนาญาณซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่ารักไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่ลุ่มหลงเพราะขาดการเพ่งพิจารณาในอารมณ์ ที่น่ารักเป็นต้นที่มาสู่ของของทวารทั้งหกืออสเปสสเประเภทของอย่างเราเนี่ยอารมณ์ที่น่ารักก็ติดเนาะอารมณ์ที่ไม่น่ารักก็โกรธเนะี่ยและอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์ธรรมดาก็เฉยเฉยแบบโง่ด้วยนะไม่มีไม่มีปัญญาเกิดเคยเป็นไหมมองแล้วเถื่อไม่คิดอะไรหรอกเฉยเฉยวาเงี้ยที่ทําอะไรวาเงั้นไม่มีอะไรหนาะเฉยเฉเคยเป็นไหมเฉยเฉยในนั้นไม่ได้พิจารณากรรมผลของกรรมเป็นต้นเหลานี้ไม่ค่อยเกิดเลยใช่ไหม เอาเรามองหน้ากันปั๊บแล้วเคยเคยมีความสุขเฉยๆไหมก็พอเห็นก็เฉยๆเอ๊ะเมื่อกี้เห็นคนนั้นเห็นคิดยังไงเฉยๆเอาเห็นเคห์คนแก่ไหมเห็นคิดยงไงเฉยๆเคยเป็นไหมเอาเห็นเด็กไหมคิดยังไงเฉยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าโมหะเกิดไม่ใช่เวขาอย่างเดียวนี่โมหะกินแล้วเอาทําไงโมหะถึงไม่กินยอมมงคลยมมงคลเห็นเห็นสัตว์ดิลฉานบ่อยไหมไปบินนบาต ไม่ไม่ช้าไปเดินบินาบาตก็เจอสุนัขตัวถามโยมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอายุสองขวบแล้เจอสองปีแล้วสองปีตัวใหญ่ใหญ่เลยนะเขเป็นหนุ่มแล้วอายุสองปีก็เป็นหนุ่มแล้วอ่าล่ามล่ามลามเขาทำไมเนี่ยก็ไม่ร่าไม่ม ไ, มได้ก็เที่ยวเลยเที่ยวไม่ค่อยกลับบ้านอ้าวถ้าอย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงนึกดีไหมอู้น่ารักได้ไหมยโยมหวานยังไงเห็นสุนัขที่เลี้ยงไว้คิดยังไงมันต้องคิดว่าเวลามันเห่าเวลามันร้อง เวลามันมาทําปฏิกิริยาหรือมันนอนเฉยๆนั่นน่ะมันบอกยมุหารมันบอกว่านี่มันเรียกคุณก็ได้ในใจใช่ไหมเรียกคุณเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราสํารวมระวังกับคุณเยอะเราไม่ได้เจ็ดวันฟังธรรมะแค่ครึ่งวันหรอกเนี่ยมันบอกอย่างนั้นนะเราฟังแคบทุกวันยังเอาตัวไม่รอดเลย มันพูดอย่างนั้นมันมันพูดอย่างนี้อัฏฐะไะที่มันบอกนั้นบอกอย่างนี้ขนาดฟังธรรมะทุกวันยาวตัวไม่รอดเลยวะเนั้ยก็บอกว่าแล้วแล้วคุณก็ลองไปคิดดูว่าคุณจะรอดไหม ออาจริงๆอัฏฐาตัวนี้เขาบอกไหมเขาบอกแบบเนี้ที่ถ้าเราอ่านไม่ออกโมหะก็กินน่ยจริไม่ยมสมัยให้สิ่งต่างๆที่เราเห็นเขากาลังเดินทํากิจไรต่างๆนี่อัฏฐานทุนั้นเขาบอกเราหมดเลยเนะแต่เราจะคิดออก้เลยนะเห็นคนแก่ที่ก็กําลังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเอามาที่เจอเขาพูดอยู่นั่นแหละมาถึงที่เ่ยโอ้ยบางครั้งไม่พอใจนะี่ทำไ ม, ไมพูดจังเลยพอคิดไปเขาบอกเ ข, ออกขออกนานิทาน แต่ก่อนเนี่ยที่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ก่อนเนอะโหอี่ฉันกลัวบาปกลัวกัง๊งไม่เดืพูดเพ้อเจ้อแล้วจะพูดจะคำกัลมัดระวังว่างั้นสํมรวมวาจาอย่างดีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ดูความแก่ถ้ามียันเลอะเรือนไปหมดแล้วว่างั้นนะอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะด่าอะไรก็ดา่าอยากจะบ่นอะไรก็บน่นพูดไปเรื่อยเลยว่างั้นแล้วเบรกไม่ได้ด้วยว่างั้น แต่ท่านอย่าประมาทนะว่าท่านยังไม่พ้นเพราะท่านยังมีราคะโทสะโมหะนี่เนี่ยอามาก็มองโอ้โ ห, หน่ากลัวแท้เข้าใจใไหมนี่ยอมมรรคกลับไปก็ไปอ่านอัฏฐานก็ไปมองหน้าภรรยาแล้วก็คิดคิดใช่ไหมที่เห็นที่เขากำลังทําอะไรเขาใจจะไหมแล้วก็าใจโอ้โนี่อัฏฐานนี่เขาบอกอะไรเราเนี่ยไปอ่านให้ออกเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาถามมาอ่านเห็นหรืยังเขาใจใ่ะไหมเขาเดินไปแล้วก็เดินตามดูที่เขาอบเลย อาหารนี้ได้พิจารณาเห็นเขา้าใจอย่างททมันจะได้มันจะได้เข้าใจถ้าง<ม>ั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจอย่าอัตตาตัวนี้เขาเรียก<ม>ถ้าอเวกขาเห็นปานนั้นนะไม่พึงเสพ<ม>ใช่ไหมไม่พึงเสพ<ม>แต่ประการต่อมาคืออเวกขาที่ควรเสพคืออะไร<ม><ม>บุคคลพึงเสพคือพึงเสภเวขาที่อาศัยเนคขม่าเห็นปานนี้เวขาที่อาศัยเนคขม่าที่แก่เวขาที่ประกอบไปด้วยวิปัสนาญาณนะซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ยินดีในรมที่น่ารักไม่ยินร้ายในรมที่ไม่ น, น่ารักไม่ลุ่มหลง เพราะอะไรเพราะขาดการเพ่งพิจารณาในอารมณ์ต่อไปเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยถ้าอารมณ์ที่เป็นมัชตารมณต่างๆหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่อุเบขาเราจะไม่เฉยๆเราจะพิจารณาจะไม่ให้โมหฬาร ก, กินอีกแล้วจะพิจารณาเป็นต้นในเวรธนาเหล่านั้นเวทนาที่อาศัยเนกเอออุเบขาเวนาที่อาศัยเนกขัมมชะเนกคัมมานิสิตา อุเบกขาเป็นชไหนเวกขาย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้รู้แจ้งว่าความไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความคลายไปมีความดับไปเห็นรูปซึ่งอาศัยเห็นรูปนั้นโดยปัญญาชอบตามความเป็จริงรูปทั้งหลายในมเมื่อก่อนนะทั้งในบัดนี้รูปเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้มีความแปรปวนเป็นธรรมดาอุเบกขาเห็นปา น, นี้เวกขานั้นไม่ร่วงเลยรูปไปได้เพราะฉะนั้นเวกขานั้นท่าเรียกว่าอุเบกขาใสเนี่ยคับ ตรงนี้ท่านพิจารณาที่ท่านสอนอนนี้จังทุกขังอนัตตากะเพาะอะไรที่บอกว่าอุเบขาเห็นปานนัยปันคนเสพอุเบขาที่อาศัยการออกจากเรือนนั่นเองได้แก่เวขาที่ประกอบไปด้วยวิปัสสนาเนั่นแหละที่ว่าเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ไม่ยินดีนะไม่ยินร้ายแล้วก็ไม่รุ่มหลงที่ขาการเพ่งพิจารณาเป็นต้นก็ให้พิจารณาเนี้บอกว่าถ้าอุเบขาเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ก็มาสู่คลองนเนี่ยนะ เคาว่าไม่ยินดีคือโรคที่น่ารักเป็นต้นอะไรเนี้ยพอวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็มันก็ตัดความยินดีได้แต่เป็นเวขาก็มีใช่ไหมหรือว่าโรคที่ไม่น่ารักเป็นต้นอะไรเนี้ยเข้ามาสู่คลองก็ตัดได้พอเกิดเฉยๆขึ้นมาก็ต้องเพ่งพิจารณาเนีอุเบขาเกิดขึ้นกับผู้รู้แจ้งรู้แจ้งในที่นั้นเขาท่านกล่าวถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นแปลว่าท่านยกระดับสูงนะ แท้จริงท่านวิจัยมาตั้งแต่ต้นไหมวิจัยเบีเสร็จหมดแล้ววิจัยเริ่มตั้งแต่เห็นความเข้าใจเรื่องรูปเวทน า, าสัญญาสงสารนิน ญ, ญาณเป็นอย่างนีน้แล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยข้างน้ารูปเป็นอย่างดีแล้วถึงจะอย่างลงสู่ไตรลักษณ์พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุก์แล้วก็เป็นอนัตตาของปัจจัยและปัจจิยุบันต่างๆเหล่านั้นเป็นทีน่ท่งนจะเลยพิจารณาบอกว่าพิจารณาด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายในการก่อนและในบัดนี้ รูปที่เข้ามาสู่คลองของทางอย่างอุดวานทั้งพิจิงญานายอย่างนี้นะตรงนี้ต้องเอาในภัยยะสูตรมาม า, มาเทียบที่บอกว่ารูปารมใช่ไหมรูปารมเข้าสู่คลองของจกักรณุณาวานไอตัวที่เข้าไปเห็นรูปารมเนี่ยคือตัวจกักรคุวิญญาณใช่ไหมไอตัวจกักรุวิญญาณตัวหนึ่งตัวรูปารมนั้นตัวหนึ่งลองสังเกตดูนะว่าจากักรคุวิญญาณเนะี่ยเห็นรูปารม แต่ตัวจกักขวัญญาณจะเกิดขึ้นเพื่อทํากิจในการเห็นรูปอารมณ์ได้ตัวจกักขวัญญาณ น, นั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเกิดจากปัจจัยไหมรูปจกักขวัญญาณเกิดจากปัจจัจยจักขวัญญาเนี่ยเป็นวิบาก ท, ที่มีอวิชชาตันหากรรมเป็นปัจจัยนั่นในดีและตัวจกักขวัญญาเนี่ยต้องอาศัยจักขูปัสสัตเป็นไปใช่ไหมโดยอํานาจปัจจัยมีวัตถุปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น เห็นไหมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะตัวจักวิญญาณนั้นต้องอาศัยรูปอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณปุเรยชาตัดเป็นอารมณ์ปุรยชาตัดทีเป็นอารมณปุเรชาต่าวิขตเห็นไหมก็แปลว่ารูปอารมณ์นั้นต้องเกิดขึ้นและยังตั้งอยู่ถึงจะเป็นปัจจัยแก่จักวิญญาณเป็นต้นสังเกตมไหมรูจักวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชที่เกิดจากปัจจัยโดยแท้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่มีใครดนบันดาลขึ้นอาศัยการประชุมกันอย่างเหตุปัจจัยมากมายนัะ การที่เราท่านทั้งหลายลองสังเกตดูที่ว่าอวิชาตันหกรรมก็ไม่เที่ยงจากขุปัสสัดก็ไม่เที่ยงรูปอารมณ์เป็นต้นก็ไม่เที่ยงแม้เวทนาสัญญาสังขารที่ประกอบกันจากคุณญาณก็ไม่เที่ยงเห็นไหมปัจจัยของเขาอีกเยอะแยะหมดไม่เที่ยงมองเห็นไหมเข้าใจเี่ยมีสีสักสีเที่ยงไหมไม่เที่ยงจากคุณญาณที่ไปรับสีก็เปลี่ยนนี่เป็นนี้ไอตัวปัจจัยไม่เที่ยงตัวจากคุญาณก็ไม่เที่ยงเห็นไหม แสดง ว, ว่าจากักกุญญาณบินธรรมะที่เกิดจากประจารู้บารม์อ่ะเนี่ยรู้บารม์อย่างเนี้ยดินน้ําไปลมถ้า ม, มีดินน้ําไปลมมีรู้บารม์เห็นไหมสี่กิจลดโอชาธาตุนั่นก็เป็นธรรมะที่เกิดจะกประจารเอาถ้ามองหน้าเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็มองหน้าเึ่งกันเลยกันรู้บารม์เหล่านั้นมีกรรมเป็นปัจจัยมีจิตเป็นปัจจัยมีอยู่ตัวเป็นปัจจัยมีอาหารเป็นปัจจัยเยอะแ ย, ยะหมดเมื่อกี้รับประทานอาหารเข้าไปพอ โอชาทั้งหลายแผดซ่าที่ใบในกยัยหน้าตาก็สดชื่นขึ้น อ, อหน้าตาก็สดชื่นขึ้นบ้งม่วงก็จิบน้ําแข็งพ้งม่วงก็จิบน้ําแข็งมันเปลี่ยนไหมรูปเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหม <c oughs> เห็นไหม <c oughs> บางทีก็เกิดจากจิตพอโลภะจิตเกิดขึ้นก็เป็นอีกสีหนึ่งโทสะจิตเกิดขึ้นก็เป็นรูปอีกสีหนึงใช่ไหมสีของเราสีหน้าสีกรรัลยาณ์กายันั้น โมหะจิตเกิดขึ้นก็เป็นอีกสีหนึ่งแค่สังเกตด้วยทีอุทธัจจะเกิดขึ้นก็เป็นอีกสีหนึ่งวิจิกิจาเกิดขึ้นก็เป็นสาพเยอะแยะหมดเขาเรียกว่าเป็นนักเปลี่ยนสีนะเป็นนักเปลี่ยนสีในะเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะนั้นสีของเราจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าอย่างว่าเราไม่ได้มีความวิจิตที่จะเห็นแยกแยะขนาดนั้นได้แต่สรุปแล้วว่ารูปอารมณ์เนี่ยมีจิตเป็นปัจจัยก็เปลี่ยนๆๆปนนุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไแต่เรามองเห็น้าไม่เห็นเปลี่ จะไปเห็นอีกทีจนโกรธจนหน้าดําเห็นคนเขาเห็นไหมโกรธกันไหมหน้าดำํำคนละคนเลยนะเนี่ยพอพอเกิดความโลภขึ้นมาก็กลายเป็นอีกหน้านึ่ผู้หญิงเนี่ยที่หน้าตาดีๆลองให้โกรธจะดีไหมไม่ดีเลยใช่ไหมโกรธขึ้นมาจะกลายเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยปากที่ยิ้มกลายเป็นปากที่ ด, าด่าได้ก็มีพระถามอะไมาถามว่าถ้ามียอมก็มายกมือพนม ท่านเจ้าค้าอะไรเป็นต้นเหรอนีอ่มีคนมากราบมาไหว้เลยมากมากเลยท่านคิดองอ๋อก็เลยบอกว่ามาก็คิดบอกว่ามือที่เคยยกไหว้มือนี้ก็เคยตัดศีศาะอาตมามาแล้วในสังสารวัตปากที่มาชื่นชมแมท่านบ๊วยปฏิ